ตอนอบรมจริยธรรมคณะคุณครูโรงเรียนศูนย์พารานคอยระหว่างวันท yeah> ี่ 8-12 พฤษภาคม2560ตอนที่6ก็พอครูเห็นครูปูมาปฏิบัติตรงนี้นะลูกก็โอยนั่งก็โอยเลยเนี่ยที่คนโบราณเ็าบอกความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นราบันประเสริฐนะถึงจะมีฐานะดีแค่ไหนก็ช่างนะนะแล้วก็ สุขภาพร่างกายไม่ดีก็ไร้ประโยชน์นะแบบสังคมมันสอนให้เราเรียนวิชาไหนก็ช่านก็เพื่อเป็นวิชาชีพนั่นแหละสอนให้เรามองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้ามองไปอนาคตไม่มีวิชาไหนสอนให้เรามาดูตัวเองเลยแล้วก็มาดูชีวิตตัวเองนะแต่ทีนี้เราถูกใส่โปรแกรมล้วชีวิตเรามันต้องมีโน่นมันต้องมีนี่ เราก็เราก็เลยเข้าใจว่าชีวิตเราต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงๆแล้วชีวิตเรามันมีแค่กายจิตกับอารมณ์นี่คือชีวิตนี่คือตัวชีวิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยรถ ล, ลาบ้านช่องทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของชีวิตมันไม่ใช่ชีวิตชีวิตเราคือสิ่งนี้เนาะคือไ อ, ไอชีวิตคืออะไร นะชีวิตคือความเป็นความอยู่ยังไม่ตายมันยังหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่รถรถเก๋งคันแบงแพงมันหายใจได้ไหมบ้านมันหายใจได้ไหมเงินทองแก้วแหวนมันหายใจได้ไหมมันไม่ใช่ชีวิตนะชีวิตเราคือสิ่งนี้ที่มันกำลังหายใจอยู่ไอความรู้สึกดีใจเสียใจนะ พอใจไม่พอใจนี่คืออารมณ์ของชีวิตนะถ้าเราพอใจเพียงแค่มีมีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจเห็นั้ยนั่นคือความสุขเราพอใจเพียงแค่มีแต่ไม่ได้ไปว่าพอแล้วเพราะเราต้องกินทุกวันต้องใช้ทุกวันแล้วก็ขยันขันแข็งทำต่อไปแต่ว่าทำอย่างมีความสุขไม่ใช่ขี้เกียจทาฝืนทาเพราะว่ามันจาเป็น อันนั้นก็สักวันหนึ่งเสียเวลาไปวันหนึ่งแก่ไปวันหนึ่งขาดทุนความสุขกำไรความทุกข์ขึ้นมาอีกอันนี้ไม่ใช่คนที่มีปัญญานะคนมีปัญญาแล้วทุกลมหายใจเขาออกเรายังไม่พ้นทุกข์ก็ทำให้ตัวเองรู้สึกสุขก่อนนะความสุขความทุกข์มันเป็นแค่ความรู้สึกเออจะเป็นสุขเทียมนะสุขสุขดิบๆก็ช่าง มันก็เป็นความรู้สึกนะหรือใครปฏิเสธพรักกูว่าความความรู้สึกสุขเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นรูปธรรมหรือนามมาทำมันเป็นนามมาทำแต่มันส่งผลงถึงชีวิตเราความรู้สึกเราเนี่ยถ้ารู้สึกพอใจรู้สึกสุขเราก็รู้สึกเบิกบานร่างกายก็ผ่อนคลายแต่ถ้ารู้สึกกลัวกังวลเครียดจนนอนไม่หลับกลัว น, วนูวนกลัวนี่เห็นไหมไอ้รู้สึกกลัว รู้สึกทุกข์มันก็ส่งผลถึงกายภาพให้ร่างกายตึงเครียดด้วยใช่ไหมเมื่อเรารู้แล้วมันง่ายๆแล้วก็รู้สึกสุขทุกวันได้ไหมอ้าวก็ทําให้คนรู้สึกเรารู้สึกสุขทุกวันก็ได้แล้วก็ความรู้สึกนี่เราสร้างขึ้นมาเองไงแต่เราไม่เคยสนใจมันเลยเราไปสนใจแต่ว่าต้องได้ก่อนค่อยสุขต้องสําเร็จก่อนค่อยสุขนะทุกคนถูกสอนมาเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆนะ โดยเฉพาะสังคมไทยเราเนี่ยมีสองอย่างก็คือลาบยศบางคนเน้นเรื่องลาบโดยเฉพาะเชื้อสายจีนที่มาจากเมืองจีนเขาหนีทุกมาเขาทุกเพราะว่าเขาจนเขากลัวจนมากนะเขาทําทุกอย่างไปกราบเท้าใครก็เอาเพื่อให้เขาได้นะเออเพื่อเพื่อเพื่อเพื่ อ, อ, อ, อลาบเพราะเขาเคยรู้สึกทุกเพราะว่าเขาจน เขาต้องรวยสถานเดียวแต่คนไทยเนี่ยไทยที่ไทยจริงๆที่เกิดในเมืองไทยตั้งแต่โบราณเนี่ยเอายศเห็นไหมพวกเราเรียนจบปุ๊บอยากเป็นครูก็ต้องเอาครูเป็นราชการเพราะมันมีตำแหน่งหน้าที่เราหารู้ไมมว่ามันสุกหรือเปล่านะหลายปีก่อนครูคีเรียนในโรงเรียนหมู่บ้านเนี่ยนี้พูดได้เพราะว่าครูรุนนั้นะหายไปหมดละ เขาเคยไปลาเพราะครูเขาจะย้ายไปกลับไปบ้านเขามานั่งร้องไห้นะเป็นครูผู้หญิงนะนะบางทีถูกนะผู้บังคับบัญชาเนี่ยใช้ไปลินเล่าไปอะไรเหมือนคนใช้ถ้าไม่ทำตามเขาเขาก็แกแล้งและจะย้ายกลับบ้านเนี่ยมันคิดเป็นกิโลกิโลวิท์หนึ่งเท่าไหร่และทีนี้พอเราสอบบรรจุเห็นไหม พอบรรจุปุ๊บไปสัมภาษณ์บางทีเนี่ยมันเอาสิบคนไปสัมภาษณ์ร้อยคนเนี่ยสอบสี่พันคนไปสัมภาษณ์แล้วถ้าไม่เสียตังก็ไม่มีการบรรจุถ้าเสียตังน้อยก็ไปบรรจุโน่นชายแดนนุ่นท่าปัญบันก็บบรรจุอันเนี้ยเราก็เสียเงินไปซื้อตําแหน่งนะข้าราชการบางตําแหน่งนะตั้งแต่วันแรกก็เสียเงินกว่าจะขึ้นขั้นอีกปุ๊บเนี่ยก็ต้องเสียเงิน เมื่อเสียเงินแล้วเนี่ยก็ต้องไปหาเงินหาเงินมาซื้อตําแหน่งสูงขึ้นไปตลอดชีวิตเลยจนถึงกเกษียณเราทําเพื่ออะไรเอาเงินไปซื้อว่าขอฉันเป็นลูกจ้างหน่อยขอฉันทํางานหน่อยเอาเงินไปซื้อมันสนุกดีเนาะเพราะเราต้องการลาบได้ลาบมาแล้วไปโยนทิ้งทําไมเพื่อไปซื้อยศ เพราะยศสูงขึ้นก็หาเงินได้มากขึ้นไงในหลวงเตือนอยู่เรื่อยนะท่่าว่าถ้าอยากจะรวยลาออกไปทำการค้ามีโอกาสรวยอันนี้หาเงินมาก็ซื้อตำแหน่งสูงขึ้นนะเพราะสูงขึ้นก็ต้องหาเงินมากขึ้นนะเพื่อจะซื้อตำแหน่งสูงขึ้นมก็มากขึ้นซื้อตลอดชีวิตถ้าทำงานผิดพลาดปุ๊บบางทีก็ถูกไล่ออก เพราะเราไม่เอาชีวิตเป็นที่ตั้งเราเอาลาบยศสรรเสริญมุลวยแล้วเขาชมเราโอ้มีความสุขมียศตำแหน่งสูงท่านท่านท่านท่า น, านมีคนสรรเสริญก็มีความสุขอันนี้ความสุขจอมปลอมมันไม่ใช่สุขจริงนะเราชีวิตเราไปฝากกับไอลาบยศสรรเสริญซึ่งเป็นของจอมปลอมนะเพราะครูบอกอยัจยธรรมหลายคนน่นะ วันไหนถ้าเกิดมันสงครามโลกครั้งที่สามเงินมันกลายเป็นกระดาษอย่าลืมศูนย์พลานคอยมายังไงก็มาก่อนไม่ใช่เราไปอยู่ในป่าที่ไหนก็ได้ถ้าป่านั้นคนในป่านั้นไม่มีคุณธรรมนนะนนคุณจะโดนฆ่าตายแต่ที่นี่เรามาฝึกมาแล้วสำหรับพวกเรานะยี่สบปดปีก่อนครูขีครูดอนครูปอเนี่ย เราอยู่ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าอยู่11ปีนะเราจุดตะเกียงเราอยู่กันแบบสมถารียมง่ายนะถ้าวันใดไม่มีไฟฟ้าเราก็ฝึกมาแล้วเราก็อยู่ได้ถ้าคนในเมืองไม่มีไฟฟ้าวันหนึ่งนะ่ะมันจะตายล่ะไม่มีแอ์วันหนึ่งจะตายหมดเห็น ไ, ไหมเราชีวิตเราไปฝากกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน เอาเงินมาซื้อทุกอย่างถ้าวันไหนเงินมันกลายเป็นกระดาษแล้วคุณจะมีอะไรจะกินไหมนะชีวิตเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนี่อย่างน้อยๆเราเข้าไม่ถึงสัจธรรมความจริงไม่จะเป็นพระอริยะอย่างน้อยต้องมีอุดมการณ์ของชีวิตบ้างชีวิตมังจะมีคุณค่าไม่ใช่วิ่งไปตามเขานะมีหลายตำแหน่งเจ้าหน้าที่นะเพราะกูมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่เป็นเจ้านายใหญ่โตเมื่อเสน็จกันก็พูดให้ ก, กูฟังเนี่ยกว่าจะย้ายปัจจนนี้กูเสียห้ล้าน ให้เวลาอยู่สองปอีมันก็ต้องหามากกว่านั้นใช่ั้ยล่ะหามากก็ไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายผิดกฎหมายด้วยนะเออปีที่แล้วเขาก็โลย้ายทั้งแกงเลยเราไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะขาบวนการมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันสนุกดีนะชีวิตเราไม่มีความหมายเลยไม่มีอิสระไม่มีศักดิ์ศรีนะเราขโมยทำอะไร เราหลอกคนอื่นได้แต่เราหลอกจิตเราไม่ได้ความกังวลความห่วงใยน่ะมันก็มีกลัวเขาจะจับได้มันไม่ได้มีความสุขอะไรนะอันนี้พ่อครูเล่าให้ฟังไม่ใช่พ่อครูใช่สิพ่อครูพอแล้วถูกแล้วพ่อครูพอแล้วแต่ไม่ใช่เงินพอนะข้างในมันพอแล้วม่งั้นมาอยู่ในป่านี้ไม่ได้ เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยไม่ใช่พออยู่พอกินพอใช้ที่พ่อครูบอกแล้วเราต้องมีเหลือเฟือเพียงพอเพื่อจะแบ่งปันนั่นแหละถึงเป็นเศรษฐกิจพอเพียงมีเพียงพอเพื่อจะแบ่งปันนั่นแหละนั่นคือความยิ่งใหญ่นะก็ทางหน่วยงานเขาเขามาอบรมนั่นแหละจะมาช่วยคนจนพาะครูบอกว่าการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยไม่ใช่ไปแก้ที่ให้คนจนรวยขึ้น มันเป็นไปไม่ได้ต้องแก้โดยคนรวยต้องหยุดรวยต้องพอใจเพียงแค่มีแต่ไม่ได้พอแล้วต้องเอาส่วนเกินนั่นมาแบ่งปันเนี่ยสังคมมันจะได้แชร์ลิงนะไม่ใช่ไปส่งเสริมคนจนมันรวยขึ้นมันจะรวยได้ยังไงเครื่องมือก็สู้คนรวยไม่ได้เทคโนโลยียิ่งออกมาใหม่เนี่ยนะไอ้คนรวยมันก็ยิ่งได้เปรียบมันก็ยังซื้อซื้อื้อมันก็ไปไกลกว่าเก่า เนี่ยจะไปไทยแลนด์ 4.05.0 ุดศย์หดศูนแต่อ0ยิ่งมายิ่งถูกทิ้งห่างเลยมันเหลื่อมลำ้ำมันต้องแก้โดยว่าทุกคนต้องรู้จักพอเพียงคนรวยก็ต้องพอเพียงคนจนก็ต้องพอเพียงนะแต่ไม่ได้แปลว่าพอแล้วเราต้องขยันขันแข็งทำต่อไปทำอย่างมีความสุขแล้วต้องมีส่วนเกินแบ่งปันไม่ใช่ไปสร้างฐานะฐานะแล้วก็ตายเปล่าวันที่ตายไปแล้วเนี่ยบางทีตายไม่ลงนะ พอเอาทองคำไปฝังอยู่ในไหนลืมบอกลูกบอกหลานเนี่ยตายไม่ลงอีกตัวแข็งปังหมดเลยไม่กี่วันถ้าไม่ฉีดยาก็เน่าเหม็นแต่ถ้าเราตายเป็นนะนะนอนยิ้มไปเลยนะทิ้งไว้กี่วันไม่ต้องฉีดยาก็ไม่เหม็นไม่เน่านะที่นี่เรามีวัดหลวงพ่อคำคนนึงไปดูสลีละท่านไม่เน่าเล็บยังยาวอยู่ผมยังยาวขึ้นมาปีหนึ่งเขาก็มาตัดเล็บตัดผมอยู่ทาไมถึงเป็นอย่างนั้น นะมันไม่หายใจแล้วแต่ว่าเซลในร่างกายมันมีกายวิญญาณอยู่เนี่ยเซลยังไม่ตายมันมันวัดกันตรงนั้นแหละ ว, ว่าใครตายเป็นใครตายไม่เป็นอย่าล้อเล่นนะชีวิตเราไม่ใช่เรื่องชาติเดียวนะบางทีเราพลาดพังอะไรเนี่ยตายแล้วเนี่ยไอ้กรรมที่เราสร้างมามันมันยาวไปอีกหลายชาติพ่อครูบอกแล้วพว่อครูไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เราเป็นคนไทยกลุ่มน แ, แรกที่อเมริกา ผลิตคอมพิวเตอร์ขายไปทั่วโลกเราต้องการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไอ้เรื่องพูดเรื่องเวียนไหวตายเกิดบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมหักไล้าสาระมันไปไกลๆนะลูกน้องพอ่อครูไปวัดมันก็เล่าเนี่ยมันไปไกลๆเลยเดี๋ยวโดนเตะแต่พอเราเระเบิดแล้วเนี่ยเราเที่ยวไปขอขมาขอโทษเขาเราคิดว่าเรารู้แต่เรารู้แค่นี้อีกหลายๆอย่างเราไม่เคยรู้เลยเกิดมาเป็นโรงเรียนมันก็สอนให้เรารู้แต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องแข่งขันเสรีเรื่องอาชีพ เรียนก่อนค่อยดํารงชีวิตได้ทาศานไม่ต้องเรียนเลยมันก็ดํารงชีวิตได้แล้วไงลิงไม่ต้องเรียนนะมันก็อยู่ได้ไงที่เราเรียนรู้นี่ไม่ใช่วันนั้นมีเด็กคนนึงมาที่นี่พึ่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติแล้ววันที่จะกลับลาพ่อครูพ่อครูบอกลูกเดี๋ยวพ่อครูถามหน่อยลูกเรียนไปทําไมเขาก็นั่งคิดหนูไม่ทะเยอทะยานค่ะ เรียนเพื่อเอาตัวรอดแค่นั้นเออว่าแค่นั้นแค่นั้นไม่ต้องเรียนหรอกลูกไปเป็นทาสานเอาตัวรอดแล้วบันหนึงกินกล้วยกี่ใบมันก็อิ่มแล้วไงเราต้องเรียนแต่ไม่ใช่เรียนแค่เอาตัวรอดนะเรียนเพื่อทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราต้องมีส่วนเกินเพื่อจะแบ่งกันมนุษยชาติเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐไงเรียนแค่เอาตัวทุกวันนี้เราถูกสอนมาอย่างนี้แล้วไม่รอดสักคนหนึ่งทุกคนเป็นหนี้หมด ภาษามไม่ต้องเป็นหนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นนะนี่เมื่อเช้ามาจากอังกฤษคนหนึ่งนะ่ก็มากราบพ่อครูยอยู่ทุกมากนี่เอาลูกมาด้วยนะยังไม่เห็นหน้าเลยนะเอามีดกรีดคอตัวเองเนี่ยบังเอิญไม่ตายเนี่ักษามาเนี่ยไปติดยาไลนี่คือความเจริญไงมันเจริญจริงไหมสังคมนี้มันเจริญจริงไหม นะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์โลกนะยุคนี้เป็นยุคที่มนุษยาชาติเราตกต่ำที่สุดเสื่อมโทรมที่สุดแต่เจริญทางด้านวัตถุเท่านั้นเองเราบอกว่ายุคสีวิลัยโกหกนะมัน ส, ยสุยวิลัยจริงๆแสงสีเยอะเลยเทคโนโลยีเก่งมากแต่จิตใจเนี่ยเปรตอสูรกายก็อยู่ในล่างมนุษย์ อยู่ในร่างมนุษย์หมดอะเทวดาก็อยู่ในร่างมนุษย์พระริยาเจ้าก็อยู่ในร่างมนุษย์แต่ตอนนี้เปรตสุรกายมันมากกว่าน่ากลัวมากไม่พอใจกูก็ฆ่ามึงนะลักกันปานจะกินตอนนี้ยิ่งเยอะขึ้นนะพอเลิกกันปุ๊บเขาไปมีแฟนใหม่ปุ๊บกูตามไปฆ่าเลยมึงลักกันประเภทไหนตอนนี้ไม่กล้าฆ่า นะมันกลัวแต่แค้นก็เดยกินยาบ้าไปกินเหล้ามอมมันแล้วก็ไปฆ่า <c oughs> นี่คือความเจริญเหรอถ้ามนุษยาชาติเราเจริญจริงๆนะต้องไม่มีคนติดคุกต้องไม่มีคนล้นโรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลไปดูโรงพยาบาลอุบลโรงพยาบาลใหญ่เนะ่ไม่รู้สถานที่อะไรนะนอนอยู่ข้างทางสร้างที่ใหญ่แค่ไหนก็ไม่พอ นะใครอย่าเผลอไปติดคุกเมืองไทยนะกลางคืนนอนเนี่ยนอนตะแคงนะปวดชี่อย่าลุกขึ้นมานะถ้าลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคืนนั้นยืนตลอดคืนไม่มีที่ขนาดนั้นนี่คือความเจริญเป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดของมนมุนิียชาติคุณธรรมอะไรหายไปหมดนะ เราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยเราต้องยิ่งใหญ่แต่ไม่ได้หมายว่าต้องหาเงินเยอะๆอนให้มันรวยก่อนค่อยๆมาเป็นเศรษฐีไม่จำเป็นนะถ้าเราเข้าใจชีวิตเราเป็นเศรษฐีได้แต่แต่วินาทีนี้เลยโกรธใครก็ให้อภัยมันเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีส่วนเกินให้อภัยแล้วไงบ้านเธอมีมะนาวไหมนี่ไปเด็ดเอาเลยนั่นเศรษฐีมีเศษส่วนเกินแบ่งปั น, นะมีพริกไหมไปเด็ดเอาเลยนั่นแหละคือเศรษฐี ไม่ช่องรวยก่อนค่อยมาให้แต่ตอนนี้เราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นไงเราก็เลยอยากได้ก็เลยไปกู้หนี้ยืมสินเอาเงินอนาคตมาใชา้เพราะคูมองเห็นนะนะตอนปี40เพราะคูรู้ล่วงหน้านะนะปี32 33พาคูมาจากอเมริกามาเริ่มสร้างอะไรเนี่ยนะ เพราะกูไปซื้อที่แปลงหนึ่งอยู่ซอยโอบอ้อมตรงข้ามกับบิ๊กซีที่อุบลตอนนั้นบิ๊กซียังไม่มาสิบสาไร่<น>เพราะกูคิดว่าจะย้ายมาจากอเมริกาบ้านในเมืองไม่อยากอยู่ไปอยู่ตอนนั้นนะ่ะนอกเมืองนะมีแต่ที่นาทั้งนั้นนะนะก็เข้าไปในซอยนั่นะสุดซอยเลยมีที่ส3ไร่ว่าเออมันสงบดีซื้อสามลาน พอกลับไปอเมริกากลับมาตอนนั้นมาซ่อมบ้านที่ในเมืองจะพาน้องขีพาครอบครัวเขามาอยู่ชั่วคราวก่อนแค่สองสามเดือนกลับมามีคนมาขอซื้อที่สมล้านเป็น13าล้านพวกครูก็เกิดอะไรขึ้นอุบลเจอแหล่งทองคำไหมเจอบ่อน้ำมันไหมเจอเพชรเจอพลอยไหมไม่มีอะไรใหม่เลยราคาข้าวก็ไม่มีราคาทำไมรถเบนซ์เต็มบ้านเต็มเมือง ตอนนั้นมันกู้กู้เงินง่ายไงธนาคารไปกู้เงินตะวันออกกลางเนี่ยร้อยละสาต่อปีมันมาปล่อยร้อยละ18ปนะปล่อยเอาปล่อยเอานะผู้จัด ก, การก็ได้ค่าใต้โต๊ะได้ค่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาซื้อที่เธอก็ซื้อฉันก็ซื้อซื้อกันไปซื้อกันมาสุดท้ายมันตันแพ็กขายไม่ได้ เศรษฐกิจล่มนะฟองสบู่แตก <Yeah. S 1> คือมันไม่ใช่เศรษฐกิจจริงๆตอนนี้จะไปอาเซียนไปอาเซียนเอาเงินอนาคตมาสร้างอยู่แล้วเห็นหที่อุบลก็ไม่มีอะไรใหม่เลยนะไม่ได้เจอแหล่งทองคำไม่ได้เจอบ่อน้ำมันไม่จด้เจอเพชรเจพยพลมันมาสร้างอะไรศูนย์การค้าใหญ่ๆทุกคนตอนนี้พอไปเดินดูพักคูก็ไปพักครูไปทุกสถานที่พกักูไปสอบอารมณ์ว่าตอนนี้มันเป็นยังไง เสาร์อาทิตย์นี่คนเต็มเลยเพราะไปเดินในห้องแอร์แต่คนหิ้วของน้อยมากมันไปกินอาหารราคาถูกๆในนั้นเท่านั้นเองฟองสบู่กำลังจะระเบิดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ลูกใหญ่เลยทั้งอาเซียนราก็อาศัยพึ่งเราแล้วก็อาศัยว่าอาเซียนพึ่งราเราวมันก็ไม่ได้เจอแหล่งทองคำอะไรที่ไหนเงินก้อนเก่านั่นแหละต่างคนต่างเพอ้อฝันสร้างกระแสขึ้นมาฟองสบู่กาลังจะแตก มนุษย์เราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นนะนะทุกวันนี้ที่เราเดือดร้อนเพราะว่าความอยากเรามากมันไม่พอดีไงมันไม่พอเพียงเราทําอะไรเกินตัวเลยก็เลยต้องเสียเวลาไปนั่งคิดนั่งกังวลนะไปเพอสร้างหนี้สินขึ้นมาแล้วก็ต้องไปนนเพราะครูไม่ปฏิเสธในหลวงก็บอกว่าของหรูหราเนี่ยเรามีได้เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ไปแกล้งจนนะ ไม่ใช่นะเรามีได้ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองต้องไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ทีนี้ความพอดีของแต่ละคนสายกลางมันแค่ไหนล่ะทุกคนต้องดูตัวเองกำลังตัวเองกาลังเศรษฐกิจกาลังร่างกายกาลังสมองจะทาอะไรนี่ให้มันพอดีนะการที่มีเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเกิดมาในร่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเงินเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้ เรามีสิ่งที่มหัาจรจั์แต่เราไม่เห็นคุณค่าของมันเลยเรามันไปทุกเพื่อสร้างอนาคตแล้วให้รางวัลมันความสนุกสนานจอมปลอมนะแล้วแล้วทำร้ายชีวิตตัวเองตลอดทําร้ายอะไรปล่อยเวลาไอ้ที่มีคุณค่าของเราเนี่ยให้มันผ่านไปเฉยกับไอ้เรื่องไร้สาระจริงๆแล้วเรามีโอกาสเป็นครูเนี่ยอาชีพทุกคนมีอาชีพอาชีพอาชีพ จริงๆแล้วอาชีพครูกับอาชีพอาชีพหมอพ่อครูไม่ค่อยชอบเพราะว่าหมอทำงานปลายเหตุแต่ตอนนี้เนี่ยใครเรียนเก่งที่สุดลูกเป็นหมอนะนะพี่พิมพเราเนี่ยอันนี้บอก ค, คุณครูด้วยนะที่มัธยมนะพะ่อครูยืมเด็กมาที่นี่กลุ่มหนึ่งแล้วก็เทอมที่แล้วก็ถือวิสาสะที่เขาบวชตรงนี้ก็ให้ไปเรียนที่ น, นูนรู้สึกมันมันจะไม่เข้ากันก็บอกเออขอขอมาลองที่นี่ พี่พิมพเรียนมสามเห็นหมเขาไม่ต้องไปโรงเรียนพี่พิมพ์ไปสอบเข้าเตรียมอุดมได้เห็นไหมและไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำได้มันเกี่ยวกับเด็กเตรียมอุดมนั่นไม่ใช่เขาสอนเก่งนะครูเขาก็จบเหมือนพวกเรานั่นแหละเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยเขาเคยสร้างผลงานว่าใครเรียนโรงเรียนเขานี่สอบ หมอได้หมดทุกห้องทั้งห้องเลยนะทั้งทั้งประเทศนี่เด็กเ็กเก่งๆก็ไปสอบเข้าไงคนเป็นหลายพันเป็นหมื่นมันกันกองเอาไม่กี่คนน่ถ้าเด็กแบบนี้เหมือนพี่พิมพ์เราไม่ต้องสอนไงพี่พิมพ่อครูมีแต่สอนเขาลูกทำกิจกรรมอะไรที่ไม่เกี่ยวข้าคะแนนหน่อยหนึ่งเพราะคูเป็นห่วงสุขภาพเขามันอ่านหนังสือตีสองตีสก็ไม่มันมีความสุขการอ่านไง มันก็จํามากกว่าคนอื่นมันก็ไปสอบได้กว่าคนอื่นแต่สุดท้ายก็เด้งไงพอเขาตื่นเช้ามาเขาง่วงเขาก็ไปซื้อกาแฟกับนัดดาไงที่งสองสองเทเข้าไปเลยไม่ต้องเจือจางนะเพราะมันง่วงไงแล้วแล้วอย่างนี้มึงจะเรียนเก่งไปทําไมเก่งไม่ไม่ได้ยากหรอกทุกวันนี้แค่ขยันอ่า น, อ, านอ่านมากกว่าคนอื่นเหมือนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกอะนะ เราไปเจาะลึกอะไม่ใช่มันเก่งนะไม่ใช่อัจฉริยะนะมันอา่านมันอา่านมันใช้เวลาเรียนมากกว่าคนอื่นบรรยากาศในนั้นอนะในในห้องสมุดเอ้ยในห้องอาหารเอ้ยหรือว่าอยู่ในฟุตบาทที่ทางเดินนะ่ะนอนอยู่ตรงนั้นก็มีมันอา่านจนมันนอนหลับคาตรงนั้นแหละมันไม่ใช่อัจฉริยะมันท่องจํามากกว่าคนอื่น บิวเกตก็เรียนเท่นูน้เรียนถึงปีที่สองเนี่ยมันลาออกเลยถ้าบิวเกตเรียนจบฮาวานเนี่ยในโลกนี้จะไม่มีคนชื่อบิวเกตสตีฟจอบเหมือนกันเรียนปีเดียวกูเดินออกจากมหาวิทยาลัยบอกไร้สาระเพราะจิตมันมีปัญญาอยู่แล้วมันฝึกจิตตั้งแต่เด็กฝึกเซนถ้าสตีฟจอบเรียนจบมหาวิทยาลัยนะก็ถูกบีบให้มันโง่ไงมันคิดนอกกรอบไม่เป็น ไอโฟนจะไม่เกิดขึ้นในโลกนี้โดยเฉพาะการศึกษาเมืองไทยเรามันล้มเหลวทุกคนก็รู้ตอนนี้แพ้แม้กระทั่งลาวแม้กระทั่งเวียดนามว่าคุณครูอย่าไปหลงว่าตัวเองเก่งวิชาการนะนะเราต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วนะหลายประเทศที่เขาอันดับหนึ่งถึงอันดับ10บของโลกตอนนี้เขาไม่สอนวิชาการบ้าบ้าบ่าบานี้ไม่เอาแล้ว มันไม่ได้คิดมีแตไปท่องจำท่องจำแล้วมาประเมินความจำกันเนี่ยนะเด็กเราโง่หมดเขาตั้งโจทย์เอาเขาบอกเรื่องแก้วเอาโจทย์แก้วอย่างเดียวเนี่ยทีนี้เด็กมึงก็ไปหาข้อมูลเองแก้วในมุมไหนมุมไหนมุมไหนบางคนวิธีผลิตแก้ววิธีออกแบบแก้วนะวิธีเอาแก้วไปส่องข้อว่ามันใช้เนื้ออะไรมันจะดีกว่ากันแค่เรื่องเดียวเนี่ยมันจะคิดมันจะหาข้อมูลเอง เพราะครูดูเรื่องนี้มาหลายปีแล้วถึงหนกว่าครูเราไม่ใช่ไม่เก่งนะเราก็สอนตามที่มันบอกเราตามที่เราเรียนมานะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเก่งแค่ไหนเราจะสู้เด็กในเมืองได้ยังไงเด็กในเมืองมันมีเงินไปเรียนพิเศษอีกไงและไอ้ครูสอนพิเศษสม่มากเป็นคนที่มันออกข้อสอบระดับประเทศพวกครูไม่อยากเล่นเกมนั้นมันเกมแบบไร้สาระแล้วก็ทําอะไรไม่เป็นพี่พิมพ์เนี่ย เนี่ยพิสูจน์แล้วว่าแกสอบถ้าโรงเรียนเราจะถือโอกาสว่าโอ้โรงเรียนศูนย์พระลานข่อยสองเนี่ยสอบเข้าเตรียมอุดมได้เนี่ยแต่ไม่ต้องทำมันไร้สาระเก่งแล้วแกทำอะไรไม่เป็นเลยซักผ้าก็ไม่เป็นกินข้าวกับเพื่อนก็ไม่เป็นเห็นไหมแล้วแล้วแล้วอย่างนี้คุณจะเก่งมาทำไมนะ แต่ทีนี้มันไม่ใช่เรื่องว่าเราจะไปแก้การศึกษาระดับชาติได้เราไม่ทําตามเขาบ้างมันก็หาเรื่องเราตลอดนะครูขีหนักมากเดี๋ยวไอรัฐมนตรีใหม่มันขึ้นมาก็เปลี่ยนนโยบายตอนนี้เปลี่ยนอย่างแล้วนะตอ น, น, นที่แรกบอกว่าจะให้เอ็นทานทีเดียวจบนะวันนั้นพักูก็เห็นมติชนมันพักูก็ตัดมันให้ครูปุ่ยเก็บใบนะการเข้ามาหาวิเลยเนี่ยได้5้าอย่าง5้าทางโอเคระบบโกต้า ย, ยังอยู่ แต่สุดท้ายมันก็ยังไร้สาระเพราะหลักสูตรมันผิดหลักสูตรมันทําให้เด็กไทยเรามันโง่แต่พระครูไม่เป็นฏิเสธว่าเมื่อเราไปสอบข้ามมหาหลัยเนี่ยมันไม่ได้ประเมินคุณธรรมมันไม่ได้ประเมินความประพฤติมันประเมินวิชาการไงโอเควิชาการไม่เป็นไรหลังจากพระครูได้168มาได้ยินบอกครูบางคนยังไม่ยอมสอนพระครูข อ, ขอลองนะ เป็นไปตามนโยบายองค์กรให้มันเป็นแบบเดียวกันมันถูกผิดยังไงเราจะได้แก้ไขถูกต้องไม่ใช่เอาความชำนาญของครูไปทำเนี่ยเด็กบางคนมันก็ได้บกบางคนก็ไม่ได้อย่างน้องฟ้านี่ชัดเจนน้องฟ้าวันแรกมาเข้าห้องติวเนี่ยวิ่งออกมาร้องไห้ออกมาเลยชาตินี้ฉันไม่เข้าไปใหม่คือน้องฟ้านี่เขาชา ครูสอนครูสอนเนี่ยแม้กระทั่งเราก่อนนั้นเราใช้ทางไกลของในหลวงของหัวหินเนี่ยมันไม่ทันเน่ยเมื่อมันไม่ทันยิ่งไม่เป็นมันยิ่งเบื่อเห็นไหมเขาอยากเป็นอะไรล่ะเขาอยากไปเป็นรออเป็นอะไรที่มันใช้แรงเขาไม่อยากไปจําความคิดไปไปจำวิชาการเขาเบื่อเห็นไหมแต่พอเราใช้หนึ่งหกาค่อยๆเรียนช้าๆของเขาเองได้ พอให้แตกฉานเขาดีวายกลับไปได้เขาพิกอัพเร็วมากไม่ใช่หนึ่งหกมันดีเลอเลิศไม่ใช่แต่แค่โรงเรียนเราแค่มันขยันดูหนึ่งหนี่มันก็สุดยอดแล้วอย่าไปเอาดีเลอเลิศแล้วสุดท้ายไม่ได้ผลเราวิชาเก่งเก่งเก่งมาเลยแล้วทีนี้เด็กมันมันมันมันเราใส่ให้มันร้อยหนึ่งมันรับได้แค่สิมีประโยชน์อะไรอันนี้เราใส่มันแค่60มันรับได้ห้อันไหนดีกว่ากัน คูเองต้องอย่ายึดมั่นถือมั่นยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดเราระวางระบบแล้วเนี่ยนโยบายไปด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็ศึกษาด้วยกันว่าถ้าอันไหนมันยังไม่พอเราก็เสริมอ้ น, นี้ไม่ต้องเสริมเลยนะทักษะชีวิตเอาแค่เขากล้าบวชครูคนไหนสอนพี่บีนยกมือขึ้นห้องพี่บีนโอเค พี่ปอว่าเขาไม่ได้ไปสมัครม .4 ใช่หไหมเมื่อวานพ่อเขาพามาที่นี่บินเคยอยู่ประจําที่นี่แล้วตอนนั้นเขาก็เป็นใบรุ่นนั่นแหละพ่อเขาบอกว่าเออตอนนั้นจอไม่เขาออกไปเพราะว่ายายไม่แข็งแรงอะไรก็อ้างกองไปที่แรกก็บอกว่าไม่มาเรียนกับเราเราจะไปเรียนที่โรงเรียนเทคโนลยพ่อเห็นแล้วเหตุการณ์มันไม่ดีนะ พระภิกษุที่ท่านดูแลเรื่องมาปรึกษาพรกักวัวไม่รับพรากวัวยังคิดว่าเขายังเรียนโรงเรียนเราอยู่นะมันไปแล้วมันโตแล้วยิ่งดัดยากทีนี้เขาก็มาเองพรกวัวไปนั่งคิดข้างนอกก่อนคิดดีๆโดยเฉพาะมาที่นี่ต้องบวชพอบวชปุ๊บมันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแล้วเนี่ยสมัยก่อนเราอยู่ประจํามันมีเรื่องอะไรก็เรื่องภายในเราแต่ถ้าเราบวชปุ๊บเนี่ยเราทําพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยนะมันเป็นเรื่องขององค์กรศาสนาทั่วโลก นะทําเล่นไม่ได้ให้คิดสุดท้ายเขาตัดสินใจว่าเขาสู้เมื่อเช้าก็เลยบวชขบวนสุดท้ายจบแล้วเทอมนี้เอาแค่นี้ก่อนถ้าเราไม่รักษาให้โอกาสเด็กๆ เ, เหล่านี้เนี่ยเราหลับตาดูคุณครูเขาออกไปเขาเป็นยังไงมันก็เป็นขยะสังคมไง พ่อครูให้โอกาสให้อภัยทุกคนถ้าเขายอมเปลี่ยนที่นี้มีมาฝากเนนมาฝากสั่งมาจากอินเดียด้วยนะเพราะอยู่เมืองไทยเก่งมะเละเกเลย์นะส่งไปที่อินเดียอยู่กับลือสีก็เอาไม่อยู่แม่มาเงินมาปฏิบัติไปเจอคอร์ดพ่อครูกรุงเทพเนี่ยก็เลยมาฝากที่นี่มาอยู่ไม่กี่วันก็ออกลายนะไปขโมยกระปุก เงินคูปุว ย, ยในห้องนั้นเขามีเครื่องมือของเขานะนะสุดท้ายพ่อกูก็ให้เขาเลือกสามอย่างคือหนึ่งเอาตำรวจมาเพราะเขาผิดกฎหมายสองเรียกแม่มารับตัวกลับสาม เขาต้องรู้สึกว่าเขาผิดเขาจะเปลี่ยนสุดท้ายเขาเลือกอันที่สามถามว่าทำไมเขาบอกเขากลัวแม่เขาเสียใจแต่ทุกคนไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะทำได้ไม่ได้แล้วก็ต้องให้โอกาสมิตรทีสุดท้ายนะที่นี่เราเจอมาหมดนะเราต้องมีเมตตาสมมติว่าไอ้เรื่องไล่ใครออกง่ายมากเลยมึงจะไปชั่วที่ไหนก็ไปแล้วสังคมไทยเราจะเป็นยังไงม ถ้าพวกเราไม่ไม่ให้โอกาสเขาไม่ใส่ใจเขาไม่พยายามช่วย เ, เมื่อเราช่วยเขาเต็มที่แล้วมันไม่ไหวแล้วโอเคอันนั้นก็กำใครกำมันก็ต้องคืนผู้ปกครองเข้าไปแต่เมื่อเด็กเขายุติว่าเขาสํานึกผิดแล้วเขาอยากจะแก้ตัวเราต้องให้โอกาสเขานั่นแหละการให้นะตอนนี้เด็กมัธยมมันไม่ได้ ก, กลัวครูนะตำรวจมันก็ไม่กลัว มันมปนยุคที่ว่าไม่ใช่ง่ายๆใช้ไม่แข็งไม่ได้ผลต้องใช้เมตตาธรรมแต่ครูต้องเมตตาจริงๆนะไม่ใช่แกล้งเมตตานะครูต้องอดทนมากที่นี่ทุกคนเนี่ยไม่ชีพี่เลี้ยงพระ พ, พี่น้องมาปรึกษาพระครูทุกวันนะเมื่อกี้นี้ก็มาแล้วเด็กมันพูดไม่ฟังอะไร ให้ไม่ชีทําไงไม่ชีอุเบกขานิ่งก่อนเดี๋ยวพ่อคูจัดการเด็กไม่ใช่มันอยากเป็นอย่างนั้นเด็กก็คือเด็กไงถ้าเราไม่มีขันติไม่มีความอดทนจริงๆเนี่ยง่ายที่สุดเราก็คืนเข้าไปมันจะไปชั่วที่ไหนก็ไปอย่างงี้อันนี้นง่ายมากใครๆก็ทําได้นะแต่ไม่ใช่ศูนย์บาลานข่อยเราต้องอดทนเราต้องมีเมตตาจริงๆเห็นไหม หลายคนอยากให้ลูกมีอนาคตก็ส่งไปส่งไ ป, สงไปเสียเงินด้วยเอาลูกไปเสี่ยงเพื่อจะมีอนาคตสุดท้ายระหว่างทางมันก็มีของแถมมาเออบางทีติดลูกมาก็ไม่เป็นไรนะติดเอดมาด้วยอันนี้ตลอดชีวิตนั้นจะเป็นยังไงติดยาติดโน่นติดนี่ชีวิตเราทำไมต้องเสี่ยงขนาดนี้นะถามว่าที่นี่งานหนักไหมแน่นอนแต่สาหรับพักูไม่มีอะไรนหนัก นะเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำหลังจากเราเปิดพรกครูก็บอ ก, กคีพระครูขอเปิดอยู่ประจำลองดูก่อนเพราะเราหลายปีเราไปรับมาเรามาล้างให้มันสะอาดเราส่งมันคืนไปนะสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นก็ทำให้มันเปื้อนอีกชักเขยื่ออยู่อย่างนี้ทีนี้พอมาอยู่ประจำปุ๊บก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ง่าย เด็กทุกวันนี้มันเรียกร้องสิทธิมันหาว่ า, าพระพี่เลี้ยงคุณแม่ชีนี่มีแต่บังคับมันแต่อาศัยเทอมก่อนพวกว่าเออลองบวชภากดูดลูลอนดูเห็นไหมถือโอกาสบวชถวายในหลวงเราเดือนหนึ่งสุดท้ายเด็กเหล่านี้ไม่ศึกไม่ศึกสักคนหนึ่งไม่ใช่เราบังคับเขานะ เพราะเขาปฏิบัติทุกวันแล้วอยู่ที่นี่เขาได้รับความอบอุ่นไงอยู่ที่บ้านพ่อไปทางแม่ไปทางนานๆเจอทีหนึง่งลักลูกแบบไงซื้อมือถือให้มันซื้อขนมให้มันแต่เขาขาดความอบอุ่นทีนี้เราก็บวชอีกพรรษาหนึ่งเด็กพวกนี้บุญเยอะนะเป็นพรรษาสุดท้ายที่ทุกคนจะมีโอกาสบวชให้ในหลวงเรา ตอนนั้นพระองค์ยังทรงประทับอยู่โรงพยาบาลศิริราชจนถึง13ตุลาฯก่อนจะออกพรรษาไม่กี่วันเห็นไหมก็อาศัยบา ร, รมีในหลวงอีนี่แหละต่อยอดเด็กเหล่านี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายพระกุมมองภาพชัดแล้วโรงเรียนในศูนย์อนาคต ต, ตต้องเป็นนักบวชหมดต้องอยู่ประจําหมดโรงเรียนอสมชัน่นโรงเรียนคริสเตียนโรงเรียนอะไรที่ ท, ที่ที่เขาทำสำเร็จเนี่ยส่วนมากเด็กอยู่ประจำหมด ยิ่งมัธยมเนี่ยเราเอามันไม่อยู่ยากมากแต่ถ้าอยู่ประจํานี่ยเราต้องอยู่ประจําแบบไม่ซ้ายหันขวาหันนะอยู่ประจําแบบมีเมตตาครอบครัวหนึ่งถ้าพ่อแม่ลูกนี่อยู่กันครบหน้านะนะแค่เขารู้สึกในความอบอุ่นแล้วเนี่ยเขาจะรักเรา ถ้าเขาคิดจะไปทำความชั่วร้ายอะไรเขาจะกลัวคนที่เขารักเน่เสียใจไม่ต้องสอนเด็กที่นี่พ่อครูไม่เคยสั่งอะไรนะเขาวิ่งหาพ่อครูมีอะไรพ่อครูขอเขาเองพ่อครูขออย่างนี้ใช่ไหมลูกเขาให้พ่อครูทุกอย่างเพราะเขารู้ว่าพ่อครูรักเขาถึงเวลาเที่ยวเราก็ไปเที่ยวด้กันไปกินด้วยกันพ่อแม่เขายังไม่ทำขนาดนี้เลยพ่อครูขอเขาเอาหมดเขาให้พ่อครูหมด นะนี่คือความรักความเมตตาครอบครัวหนึ่งไม่ต้องสอนขอให้มีความอบอุ่นนะเราจูงแขนเขาเรากอดเขาเราเล่นกับเขาอยู่กับเขาเนี่ยเขาจะรักเราและเขาจะกลัวว่าเราจะเสียใจนี่คือสอนแบบธรรมชาติไงไม่ใช่ผิดแล้วก็ตีผิดแล้วก็ลงโทษต่อหน้าเรามันกลัวรับหลังมันยิ่งแข็งกระด้าง ยิ่งมัธยมนะคุณครูที่ผ่านมาโรงเรียนในแวกนี้เราถือว่าก็โอเคยังดีระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่พอนะอย่าปล่อยให้มันมีเรื่องเราค่อยมาแก้ต้องช่วยกันระวังอย่าให้มันมีเรื่องใครมีพฤติกรรมอะไรไปนั้นพยายามหาวิธีช่วยเขาทันทีเลยนะดับไฟตั้งแต่ต้นเหตุพอมันมีเรื่องตีกันอะไรมันบาดหมางกันไปแล้วทีนี้เนี่ยมันแก้วมันลาวแล้ว อันนั้นจะยากนะต้องพยายามระ ง, งับเหตุระ ง, งับเหตุก่อนถ้าครูใส่ใจครูทําไมจะไม่รู้ครูประจําชั้นนี่ถ้าใส่ใจรู้หมดไอ้นิสัยยัง ไ, ไงไม่รู้หมดไงทำไมจะไม่รู้คนแค่สามสี่คนอย่างมากที่นี่คนกี่ ค, คนรู้ไหมเพราะครูยอมรับว่าเพราะครูยังจําชื่อไม่ได้หมดทุกคนเลยนะแต่เพราะครู จำหน้าได้หมดเพราะครูลักหมดเพราะครูให้โอกาสทุกคนถ้าเราใส่ใจใส่ใจเนี่ยนะเขาก็สนิทกับเรานะเออทำอะไรเนี่ยเขาก็เก่งใจเราเด็กๆบางทีมันตัวเล็กๆเราพูดด้วยเหตุผลอะไรมันก็เข้าหูซ้ายหูขวามันยิ่งฟังมันยิ่งมึนมันไม่รู้เรื่องหรอกแต่อารมณ์การแสดงออกเนี่ยที่เราแสดงกับมันเนี่ยนี่ไอ้ตัวนี้แหละคือสอนโดยไม่ต้องสอนไม่ต้องใช้ภาษา เห็นไหมถ้าเราไม่ช่วยกันการศึกษาทุกวันนี้มันยากมากเพราะว่าไอสังคมเนี่ยวัตถุนิยมสิ่งเล้าใจมันเยอะมากและการศึกษามีนแต่เป็นเน้นให้เก่งเก่งเก่งไอพวกที่ต้องการเก่งก็มีแต่เป็นหนอนหนังสือนะ l e a t i n s h i p อะไรก็สังคมก็ไม่เป็นแล้วต่อไปเนี่ยถึงมันจะเก่งเก่งมันจะชีวิตมันจะเดี้ยงหมดเพราะบริหารชีวิตตัวเองไม่เป็นไงเพราะว่าคิดว่าเก่งแล้วก็จบ พอมีครอบครัวมีชีวิตคู่ก็มีปัญหาต่างคนต่างเก่งเธอก็เป็นด็อกเตอร์ฉันก็เป็นด็อกเตอร์แต่คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะต่างคนต่างมีทิฏฐิมานะเพราะเราไม่ฝึกจิตเด็กที่นี่ไม่ต้องสอนนะแค่ปฏิบัตินี้ปฏิบัตินี้นะช่วงเวลาเรียนแล้วก็แบ่งไปเรียนนะีช่วงเวลาปฏิบัติอย่าง น, น้อยเช้าเย็นเนี่ยปฏิบัติจริงจังแล้วไม่ใช่ปฏิบัติเหตุในศาลานะเขาปฏิบัติด้วยเขาโกนผม เขาแต่งตัวเป็นไม่ชีน้อยเป็นเนน้อยนะเขาไม่ต้องกินข้าวเย็นเวลาทุกเวลากินข้าวปุ๊บเขาก็ต้องนั่งสงบเสงี่ยมต้องขอบคุณอาหารทุกวันนี่คือการสอนโดยไม่ต้องสอนไงมีด็อกเตอร์จากเยอรมันมาที่นี่นะนะตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่เป็นอาจารย์สอนอะไรเนี่เขามาที่นี่เขาบอกไปหลายประเทศแล้วไม่เคยเจอแบบนี้ พ่อคูจัดระบบยังไงในในในในในในในโรงอาหารพ่อคูไม่ได้จัดมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนี่คือวิถีพุทธไงพระภิกษุท่าน227ข้อท่านก็พิจารณาอาหารก่อนเน้นสินสิบก็พิจารณาอาหารตามมาเมชีศินแปดก็ตามมาเสร็จแล้วก็ญาติโยมก็ตามมาพุทธบรสิ่งอยู่ด้วยกันพอเราเปิดเทอมปุ๊บเด็กๆก็มีอีกหลายหนึ่ง ญาติธรรมก็ลายหนึ่งนักบวชก็ลายหนึ่งนี่คือครอบครัวใหญ่ไม่ต้องตั้งกติกาพอคนรุ่นใหม่เข้ามาปุ๊บก็ถูกคนรุ่นเก่ารุ่นเก่านิกลสอนโดยไม่ต้องสอนนี่คือคุณสมบัติตามธรรมชาตินี่คือคุณธรรมเขาให้เราสร้างบรรยากาศในโรงเรียนเราให้เป็นแบบนี้ทุกคนไม่ต้องแข่งขัน เห็นไหมเด็กเรารอได้ส mm ังเกตไหมยิ <quotid> ่งไม่ชี้ตัวเน้อยเนี่ยบินทบาทสุดท้ายเลยเขาไม่งอแงเขายอมรับซีเนี่เขายอมรับนั่นเห็นไหมฝึกโดยไม่ต้องไปนั่งสอนก็พาเขาทำไงเราต้องถ้าเราช่วยสร้างบรรยากาศในโรงเรียนน่ะเด็กๆทุกคนเป็นแบบนี้ล่ะครูเน่ยง่ายมากรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องนี่สังเกตนะ มีรุ่นน้องมาใหม่เนี่ยนะรุ่นพี่เขาไปประกบให้พาปฏิบัติเขาทำเองนี่คือคุณธรรมนะเหมือนตอนนั้นครูที่เขาเคยอาวุโสเคยขอพ่อครูว่าขอห้องจริยธรรมหน่อยด่านเม่นพ่อคูคุณครูจะเอาไปทำอะไรมาสอนจริยธรรม พ่อครูบอกจริยธรรมไม่ใช่วิชาสอนเป็นจริยวัดที่เราต้องทําเป็นปกตินั่นแหละคุณครูยืนอยู่หน้าโรงเรียนเด็กมาตอนเชา้าวัดดีลูกหวัดดีลูกเออเมื่อคืนนอนหลับไหมแล้ววัน ด, ดีมันนึก็่วัดดีเราไม่ใช่ทําลายไม่ใช่ทำลา ย, ายวัฒนธรรมอะไรหมดแล้วก็มาขอยสอนจริยธรรมมันไล้สาระเราต้องปฏิบัติเป็นปกติเป็นจริยวัตด ไม่ใช่วิชาสอนที่นี่พ่อครูไม่ค่อยได้สอนอะไรเนะ็กเด็กๆเกมื่อวานเรียกร้องเองบอกให้ไปนอนไปนอนไม่อยากฟังพ่อครูเทศเด็กที่อื่นมันมีอย่างนี้ไหมมันเบื่อนะดีใจพ่อครูให้ฟังเห็นไหมเราต้องสร้างบรรยากาศสร้างสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเนี่ยให้มันเป็นบิ๊กแฟมิลี่ อันนี้ครูเราเองยังไม่ได้แฟมิลี่เลยนะของเธอของฉันไม่ใช่หน้าทีนะฉันถ้าคุณครูยังเป็นแบบนี้เราสร้างบรรยากาศนั้นไม่ได้คุณครูต้องเป็นหนึ่งเดียวต้องมีเป้าหมายเดียวกันก็คือว่าเรามาให้เรามาให้เราไม่ได้มาเอาส่วนค่าตอบแทนนั้นเป็นแค่ส่วนประกอบให้เราดำรงชีวิตได้เฉยเพื่อให้เรามีโอกาสทางานที่ยิ่งใหญ่ ถ้าคุณครูมีอารมณ์ในคุณครูเป็นเศรษฐีแล้วคุณครูให้ธรรมทานให้วิทยาทานยิ่งกว่าให้วัตถุทานเอาเงินเป็นล้านๆไปสร้างวัดอันนั้นได้นิดเดียวเราเป็นเศรษฐีได้ทันทีเด็กๆมันดือ้อเราก็ให้โอโหสิกรรมมันให้อภัยทานแต่ไม่ใช่ให้อภัยทานแล้วก็ผิดแล้วผิดเลย แล้วก็ต้องหาวิธีไอเด็กคนนี้จะจัดการมันยังไงเออไอคนนี้มันชอบพูดดีๆก็พูดดีๆว่าเออลูกลืมทำการบ้านเออที่บ้านงานเยอะนะไม่เป็นไรลูกามานั่งทำตัวนี้นะเออทำให้มันเสร็จซะไม่ใช่ไปกองดินหลายปีแล้วเขาเรียกว่าอะไรเออดินพ่อขหางหมูกองจนเต็มเลยทีนี้ก็มาสะสางไม่ทันอย่าปล่อยเป็นปัจจุบันตลอด ถ้าเราใส่ใจเราจะหาวิธีแก้แก้ยังไม่ได้ต้องแก้อย่างนี้แล้วให้มันผ่านไปผ่านไปแล้วสุดท้ายเด็กๆเหล่านี้ถ้าถูกเราหลอมละลายหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมทําไมโรงเรียนเตรียมอุดมนะ่ยมันถึงสอบได้ทั้งหมดทําไมหาวาดมันดังเพราะบรรยากาศมันมันขยันอ่านมากไงทำไมโรงเรียนศุนย์พนันค่อยมีคุณธรรมเหมือนกันถ้าเราสร้างบรรยากาศคุณธรรมแล้วเนี่ยรุ่น รุ่นต่อรุ่นรุ่นใหม่มาจะถูกรุ่นเก่าเกินโดยไม่ต้องสอนนี่เด็กมาใหม่เพราะครูไม่ต้องสอนเลยรุ่นพี่ทําอะไรเขาก็ทำตามแต่เริ่มต้นจากตัวคุณครูก่อนเนี่ยต้องเข้าใจปัจฉญาตรงนี้ต้องรู้ว่าตัวเองมาทําหน้าที่ตัวใหม่ไม่ใช่มาทำงานกินเงินเดือนนะไอ้เงินเดือนนี่ไล้สาระนะถ้าอยากอยากรวยเนี่ยในหลวงบอกเนี่ยอย่าไปเป็นครูไม่รวยหรอกครูราชการก็เหมือนกันยิ่งไปแข่งขันยิ่งเครียด ขนะี่หัวคนอื่นขึ้นปีนี้ให้สองขั้นโกตลตาโรงเรียนนี้เนะี่ยเจอกันยิ้มเฉยแต่ข้างในกูจะฆ่ามึงกูจะอิจฉามึงมันไม่ชีวิตที่ไร้สาระหลายคนมามาอยู่ที่นี่ทําไมเราไม่ได้มาทํางานนะเรามาใช้ชีวิตเรามาใช้ชีวิตที่มันมีคุณค่าจริงๆ เป็นความภาคภูมิใจนี่แหละคือเราสร้างชาติน้องดอนนี่คนหนึ่งนะคู่ภัยอีกคนหนึ่งไม่ต้องเลือกทหารเพราะอะไรคู่ภัยทำไมไม่ต้องไปคัดเลือกทหารฮะยกเว้นทำไมเห็นไหมคู่ยิ่งใหญ่ไหม ครูนี่เปรียบสเสมือนแม่ทัพหน้าเลยนะถ้าเราเป็นครูปุ๊บเนี่ยเราไปขอเรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยครูมีมีความสําคัญมากยิ่งกว่าไปเป็นทหารอีกแต่ถ้าเรามีโอกาสแล้วเราอยาทําตัวยิ่งไม่มีสาระยิ่งกว่าทหารเขาเขาไปเสียชีวิตกับแนวหน้าเนี่ยนะเราอายเขานะเห็นไหมสังคมเขาให้เกียรติครูนะ ถ้าเราบรรจุครูปุ๊บเนี่ยเขาดีใจยิ่งกว่าไปเป็นทหารอีกเขาอนุโลมเห็นไหมครูสมัยโบ ร, ราณพวกครูเด็กๆเนี่ยครูเปรียบเสมือนเรือจ้างแนำมาพายแจวเรือส่งเด็กนักเรียนข้างฝั่งรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่า แ, แต่พ่อครูมาจากอเมริกาพวกครูจิตตกเลยวันแรก มาที่อุบล น, นี่แหละเห็นรถกระบะคันหนึ่งทะเบียนเป็นอำนาจเจริญเขาเขียนว่ายังไงครูไม่ใช่เรือจ้างอีกต่อไปแต่ครูคือผู้พัฒนาชาติไทย20สกว่าปีมามันพัฒนาจนตอนนี้ชาติไทยเป็นยังไงไปหลงในเรื่องวัตถุ เขาไม่ภาคภูมิใจในความเป็นปูชนะยิบบุคคลสมัยก่อนครูแม้กระทั่งหมอนะผู้คนนับถือมากแต่ตอนนี้มันฆ่าครูตายทั้งหมดแล้วมันไม่ให้เป็นครูแลให้เป็นอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอาจารย์สา ม, มาเป็นแค่ดำรงชีพได้แล้วก็ไต่เต้าไปไม่จะเป็นเรือจ้างอี่ต่อไปเขาพูดถูกไงแล้วสุดท้ายเขาพูดถูกแล้วก็กทาแต่เขาทาผิดไงพัฒนาจนชาติตอนนี้เนี่ย ไม่รู้จะไปทางไหนเราไม่เอาศักดิ์ศรีของความเป็นครูเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นผู้ให้แต่เราอวดเก่งไงพัฒนาชาติไทยพัฒนาจนที่นี่ครูเป็นหนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะครูเจ็บปวดครูของพวกครูสมัยโบราณอยู่บนเนี่ยพอเราไม่ไปโรงเรียนสักสองวันเนี่ยครูมาที่บ้านแล้วนะเป็นห่วงไง เด็กๆมีปัญหาอะไรคุณครูไปแก้ให้หมดคนนี้อ่อนใช่ไหมเอออย่าเพิ่งกลับบ้านลูกคนอื่นกลับนะครูครูครูจะติววิชาให้นั่นคือครูไงนั่นคือเรือจ้างไงเพราะครูเคยไปบรรยายที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะทั้งหมอทั้งพยาบาลเพราะว่ามันเกิดว่าพยาบาลขัดแย้งกันเครียดไปหมดเพราะทุกคนกลัวได้เปรียบเสียเปรียบไง ฉันทำงานเยอะเธอทำงานว่ามีคนหนึ่งกล้าถามขึ้นมาเขียนบอกว่าทำงานมากก็ได้เงินเดือนเหมือนเก่าทำงานน้อยเงินหนเหมือนเก่าทำงานมากทำไมเขาถามมาตรงๆเลยนะนี่ไหมคือวัตถุนิยมทำแล้วได้อะไรคุ้มไหมมันคิดแต่เรื่องได้เสียกับเรื่องวัตถุพราะคุบอกทำงานมากได้บุญมากทำงานน้อยได้บุญน้อยทำงานมากประสบการณ์มากทำงานน้อยโง่ามาก ใช่ถึงได้เงินเท่ากันแต่เราก็แก่ตายไปหนึ่งวันไงแล้วก็พลาดโอกาสในการทำกุศลเห็นไมพยาบาลกับหมอนี่ก็เป็นโอกาสดีนะไปคนนั้นปวดทุกข์แต่พ่อครูไม่ชอบมันทำงานปลายเหตุเห็นไมเอาคนเรียนเก่งๆทุกคนสอบหมอหมดหมอมีอาชีพอะไรรู้ไหมมีอาชีพมาตรวจโรคในโรงพยาบาลคุณครูเคยเห็นไหมมีห้องตรวจคนไหม ไม่มีแต่ห้องตรวจโรคนะแล้วหมอทุกวันนี้นี่กลายเป็นธุรกิจการแพทย์เห็นแต่เห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนไข้นี้ราคาแค่นี้ไข้นี้ราคาแค่นี้คนนี้ไม่มีเงินไม่เห็นหมอแต่หมอในโบราณนี่เห็นคนไข้ทุกวันสมัยพ่อครูทันนะตอนเด็กๆกิ้งตีสองคุณหมอเป็นคนไข้อยู่ตาบล น, นั้นหมู่บ้านนี้ คุณหมอมีกระเป๋าเลยไปเป็นนอนกับคนไข้เห็นไหเป็นตรวจรักษาจนนั้นไม่ถามหาเงินแต่พอคนไข้เขาหายแล้วเนี่ยเขาก็เอาของฝากมาให้หมอแล้วเอาเงินมาให้หมอหมอทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นไหมต้องทอสังขารไอ้คนคําว่าคนไข้คือคนไม่ปกติเนี่ยทอสังขารไปหาหมอซึ่งเป็นปกติ แล้วไปนั่งรอหมอ3ชั่วโมงก็วินิ์ชัยจุกๆๆวินิ์ชัยแต่โลกไม่เห็นคนเอาอยานี่ไปลองอามาใหม่เออมันไม่ดีขึ้นเอาอยานี่ไปลองเราแค่เป็นหนูลองยาเท่านั้นอื่นเราคนเก่งที่สุดไปทํางานปลายเหตุจริงๆแล้วหมอในใครก็เรียนได้ แต่ที่นี้มันแยกกันเข้ามากก็ต้องเอาคนเก่งๆเข้าไปไงจริงๆเรียนๆหมอแค่ไปรู้จากวิธีใช้เครื่องมือนะไปวัดหัวใจมันเต้นแค่นี้เออเขาก็บอกว่าแค่นี้เนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงไปวินิจฉัยโรคเฉยๆแล้วก็สั่งยาจริงๆแล้วไม่ได้ยากแต่มันแยกกันไปเข้าเลยกลายเป็นว่าต้องคนเรียนเก่งๆจริงๆถึงจะสอบเข้าได้ไงทีนี้เราคนที่ พวกเราก็ครูนะเพราะกูก็พ่อครู้วยละนะนะส่วนมากเอาคนที่สอบไม่ได้แล้วมาเป็นครูแล้วก็สอนให้คนมันไม่เก่งแล้วไปบริหารจังหวัดหนึ่งใครใหญ่ที่สุดไหมไม่ต้องพูดหรอกก็ไปเรียนวิชาหมอไม่ได้ก็ไปในวิชานะั้นนะ่ะไปบริหารให้คนเป็นไข้ให้คนมันเครียดไปหมดแล้วก็ให้คนเก่งๆไปรักษาสังคมมันตาลปัดเราเอาเงินเป็นที่ตั้งหมอเขามีฐานะดีอย่าไปอย่าไปอิจฉาเขานะ นะญาติทรรมพ่อครูนี่หมอเต็มไปหมดเลยนะฐานะดีเอาไหมมีอดีตโรงพยาบาลอุบลนี่แหละนะเคยสนิทกันเล่นนกกระจอกด้วยกันเป็นผู้อำนวยการพกก่อครูกลับมาจากอเมริกาไปเจอที่ดอนเมืองเขาเป็นมะเร็งผมล่วงหมดตื่นเช้ามาไปเปิดคลินิกชั่วโมงหนึ่งก็เอาไปบริหารโรงพยาบาลเที่ยงกินข้าวในรถ ไปเปิดคลินิกชั่วโมงหนึ่งก็เอาตอนเย็นนะไปคลินิกเปิดอีกก็ซื้ออาหารกล่องมากินทำงานทั้งวันอย่างเงี้ยไม่มีเวลาใช้เงินไม่ให้มึงรวยรู้ไปแล้วสุดท้ายก็เป็นมะเร็งไงแล้วหมอตอนนี้ในเมืองไทยฉเฉลี่ยอายุ52ปีตายละ อาม่าสีสมไทยเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกพระครู28ปีก่อนตอนนี้อายุเก้าสปีวันก่อนก็ไม่เยี่ยพ่อครูชอบทำบุญกับพ่อครูดีใจพอเห็นเด็กๆมันกินมากหน่อยก็แกบ่นที่เล่นที่จริงกินตะกะตะการบอกอาม่ายังไม่ไดีเอาทูปเทียนดอกไม้ไปไหว้เด็กอีกถ้ามันไม่มีคนจนเราจะทำบุญกับใคร ปีที่แล้วมารายงานพวกครูว่าลูกเต้าก็พาไปไปตรวจสุขภาพหมออายุสามสิบกว่าหมอผู้หญิงหมอถามว่าอาม่าสบายดีไหมบอกอาม่าบอกสบายดีอาม่าถามหมอคืนว่าคุณหมอสบายดีไหมคุณหมอบอกไม่ค่อยสบายหมอกำลังเป็นหวัดอยู่มันตลปัดแล้วไง พวกครูก็เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยให้พี่หมวยกับพี่พลอยพาไปดูลงพยาบาลอันนี้ก็โอ้ยนี่ก็โอ้ยพยาบาลก็เครียดหมอก็เครียดอยู่กับความเครียดตลอดแล้วก็ไม่ระวังตัวนะมีแต่สารเคมีหมอก็กินยาเยอะที่สุดแล้วสุดท้ายก็เป็นมะเร็งหมอยังรักษาชีวิตตัวเองให้ยั่งยืนเหมือนอมาม่าไม่ได้เกปีเห็นไหมหมอไม่อายอมาม่าเหรอบริหารตัวเองเฉลี่ย52ปี แต่เราคิดนอกก่อนไม่ได้ไม่สบายก็หาหมอหาหมอนะเนี่ยพวกเราครอบครัวเราต้องระวังครูไัยครูอิ๋วแม้กระทั่งดอนแจ้มาเนี่ยแต่ว่าระวังก็ไม่ทันแล้วละ่ะเมื่อคืนนาว่าตก็รายงานพ่อครูเรื่องคุณยายพ่อครูพยายามจับมาบังคับมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงนะไม่สู้ก็ไปพึ่งยาพึ่งยา พราครูไม่ใช่ไม่มีเบาหวานมีเบาหวานแต่ไม่กินยาหมอบัญชาขอร้องพวกครูไม่ต้องกินยานะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นวิตามินเนี่ยเพราะว่าตับอ่อนพ่อครูนะ่ะมันใช้ามากเหลือเกินนะ่ะตอนนี้มันเป็นเรื่องของเกา่านะเออถ้ากินบํารุงอะไรไม่ไปจัดยาพ่อครูไม่กินนะตอนนี้คุณยายเนี่ยพ่อครูก็บอกนะวาดต่อไปคุณยายก็เราไม่ได้ตายเพราะเบาหวานหรอก ต้องไปฟอกไตวนวารบอกตอนนี้ไตคุณยายขั้นสามแล้วโรคไตเราเกิดจากยาเบาหวานหมอบัญชาก็คณะแพทย์เขาสรุปแล้วว่าไตนี้เกิดจากยาไอยาสมัยใหม่นี่มันร้ายมากมันแค่น้ำตาลมันเยอะมัน ก, ไก็ไปฉีดอินซูลินไปกินอินซูลินกดให้มันต่ำ พอมันต่ำแล้ววันนั้นดอนก็เป็นรายงานว่าคุณยายช็อกอีกแล้วพอช็อคปุ๊บก็เพิ่มน้ำตาลให้มันสูงรักษาแบบนี้ไงมันไม่รักษาเบาหวานมันรักษาแค่ให้มันต่ำแล้วก็เพิ่มให้มันสูงแล้วก็ต้องกินยาตลอดชีวิตเพราะคูไม่เชื่อทฤษฎีนี้นี่ขนาดคนข้างตัวเราเลยยังช่วยไม่ได้ไ นิดนึงเราถูกสอนว่าไม่สบายก็หาหมอหาหมอมันไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนะพอกินไปกินมาเนี่ยกลายเป็นเบาหวานแล้วร่างกายไปติดยาแล้วถ้าขาดเมื่อไหร่นี่มีผลทันทีเลยเห็นไหมเราต้องแก้ที่ต้นเหตุนะแล้วเร็วๆนี้ก็มีหมอเนี่ยหมอใหญ่ที่กรุงเทพ ท, ที่พ่อคูบอกลาออกมาเนี่ยเปิดเผยเลยว่า อย่าไปผ่าตัดอย่าไปรักษานะไม่ผ่าก็ตัดมะเร็งกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงกูจะเอาคีมวัวไปยิงมึงตายเอายิงเลเซอร์ยิงมึงตายมะเร็งมันยังไม่ตายคนเป็นมะเร็งตายก่อนเป็นโรคแทรกซ้อนผมร่วงหมดเลยภูมิคุ้มกันตกตำ่ำเพรากคูเคยบอกหมอหลายคนว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้เหลยเพราะคูไม่ชอบเขาเป็นมะเร็งเขาก็ทุกข์มากแล้วยังไปเพิ่มความทุกข์เขาอีก ให้เขาตายดีๆได้ไหมเนี่ยตอนนี้หมอหลายคนหมอญี่ปุ่นก็ออกมาเขียนหนังสือนี่นะไปอ่านดูนะคุณครูไปอ่านหน่อยนึงจะได้ดูแลสุขภาพตัวเองอย่าให้หมอฆ่าคุณหนังสือเล่มนี้ขายดีมากนะหมอญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนแรกที่รักษามะเร็งเต้านมโดยไม่ต้องผ่าตัดเขาบอกว่า วิทยาศาสตร์การแพทย์เราเนี่ยหลงทางมาหลายสิบปีมันเป็นธุรกิจการแพทย์พวกเภสัชก็ผลิตยาเพื่อมาขายเฉยมันต้องทําให้เราเห็นปวดหัวพวกหายเลยเออมันหายจริงๆแต่มันไม่ได้สนใจผลข้างเคียงที่มันจะตามมาสารตกค้างไม่มียาไม่แต่หนึ่งเม็ดนี่ไม่มีสารตกค้างนะอย่างน้อยสารกันเชื้อาาราเสนมันมีถ้าคุณกินแบบ ไอ้ น, นี่เบาหวานความดันมันให้เรากินตลอดชีวิตแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นมะเร็งหมดนะเพราะเราไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณนะเรารักษาโดยว่าเราไม่ต้องเครียดมากได้ไหมที่เราเครียดเพราะอะไรเพราะเรามีความอยากไงเราถึงคิดเยอะไงกังวลเยอะไงอันนั้นคือมโนกรรมไง พ่อครู28ปีก่อนตอนมันระเบิดมาเมืองไทยนี่พ่อครูออกมาตรงๆเลยมะเร็งต้นเหตุอันดับแรกก็คือจากความเครียดหมอมันลุมกินโต๊ะด่าพ่อครูเลยว่าพ่อครูบ้าตอนนี้ยอมรับ ก, กันแล้วเมื่อเราเครียดเนี่ยภูมิคุ้มกันมันก็ตกต่ำเหมือนรถยนต์เราเนี่ยมีแต่ใช้ใช้ใช้ไม่เคยเข้าอู่ตรวจน้ํามันเครื่องไส้กองน้ํามันไส้กองอากาศถ้ามันเปื้อนเนี่ยมันจะฉีดน้ํามันสับ สำลักน้ำมันแหวนลูกสูบพังหมดเมื่อเราเครียดปุ๊บภูมิคุ้มกันโรกโดยธรรมชาติเราอ่อนแอเห็นไหมเดี๋ยวสักกู่เดี๋ยวคุณครูไปกินข้าวเรามีเครื่องมือเคี้ยวข้าวไอ้เรื่องนี้เนี่เป็นจุดอ่อนของพ่อครูอย่างหนึ่งหมอวัญชาบอกเคี้ยวนานๆพ่อครูเนี่เราเกิดปีฉลูไงนะเราห ม, ม, ม, ม, ม, มต้องเอาใส่แก้มดิงไว้ก่อนมันเป็นนิสัยที่ต้องการเร็วๆ เรามีเคี้ยวเคียนานๆเนะน้ำลายมันก็ย่อยแป้งก็้าว่าพอกลืนไปเนี่ยกระเพาะลำไส้เนี่ยเออมันย่อยคนละอยา่างเรากลืนเข้าไปเร็วๆปุ๊บเนี่ยมันก็บูดเน่ามันย่อยไม่ทันมันก็เกิดเป็นโรคแก๊สในกระเพาะอะไรพวกนี้หนึ่งพฤติกรรมในการกินกินอาหารที่มันเหมาะกับาธาตุเรา ทุกคนไม่เหมือนกันนะมีลือสีตัวหนึ่งมาถามพ่อคูหลายปีก่อนพรอครูกินเจไม่บอกไม่พ่อครูกินมังสวิรัตไม่บอกไม่พ่กครูกินเนื้อสัตว์ไหมบอกไม่แล้วพ่อครูกินอะไรพ่อครูกินอาหารอย่ามากเรื่องไปไหนหิ้วเจไปด้วยเนี่ยมันหิ้วไม่ได้วางนะแล้วเจทุกวันนี้นี่ไม่ใช่ถูกนะแพงมากแล้วต้องเป็นเจแบบ ต้องมีไก่เทียมมีหมูเทียมมีเนื้อเทียมมานะมันไม่ได้เจเลยมันเจียงติดรูปร่างมันอยู่ติดรส ด, ด้วยต้องอร่อยด้วยนะอันนั้นเขาเรียกว่าเจเนี่ยพราะรูเจจริงๆไม่ใช่เจแบบรูปแบบที่เขานะ่ยกินอะไรก็กินเข้าไปเถอะนี่ระวังพฤติกรรมตัวเองเนะี่ยพฤติกรรมพฤติกรรมในการคิดพฤติกรรมในการพูดพฤติกรรมในการกิน นนเนื้อกินนี่ก็ปากเนอะในในการกระทําถ้าเราใช้ร่างกายเราเกินขอ บ, ขอบเขตพักผ่อนไม่พอเดี๋ยวก็เด้งนะขี้เกียจออกกำลังกายเดี๋ยวก็เด้งถ้าทุกคนขี้เกียจหมดทุกอย่างเลยนะเป็นพระอรหันเลยนะแต่บังเอิญว่ามันขี้เกียจบางอย่างขยันบางอย่างอันนี้มันเป็นเรื่องเลไม่ใช่เป็นพระอรหรันเป็นเรื่องเวลากินเนี่ย กินแบบอะไรล่ะอันนี้เดี๋ยวพวกครูจะเชิญหมอบัญชามาบรรยายอีกช่วงเร็วๆนี้เนาะให้เขามาหมอบัญชานี่เป็นอาจารย์หมอนะไม่ใช่หมอธรรมดานะตอนนี้เนี่ยลูกน้องแกเนี่ยแกจะรับใครเขาช่างเนี่ยต้องมาเข้าไข้ปฏิบัติก่อนแล้วก็หมอจะเห็นคนไข้ทุกวันทุกวันนี้หมอเห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนไม่มีเวลาหรอก ชุบๆๆๆๆไปปุ๊บเอายาไปลองชุบๆๆไปลองนะเออมีเรื่องหนึ่งปีที่แล้วเองมีโจรคนหนึ่งมันป่นมันวิ่งหนีมามันปวดฟันมากมันก็เข้าไปลานหมอฟันเอาปืนจี้หมอบอกถอนหมออย่าพูดมากถอนไอ้นี่เล่มนี้เล่มนี้หมอก็รีบถอนปุ๊บมันก็วิ่งหนีนะ ทีน่นี้ตำรวจเขาก็จับมันได้ถามว่าไปไหนมาบอกไปบ้านหมอฟันตำรวจก็เอารูปมันมาให้หมอดูหมอบอกจําไม่ได้ตำรวจต้องอ้าปากมันถ่ายฟันปุ๊บไปให้หมอดูเออใช่แล้วไอ้นี่นี่เห็นแต่ใข้ไม่เห็นคนไงเห็นไหมไม่มีเรื่องเมตตาไม่มีเรื่องอารมณ์เลยเหมือนคูเหมือนกันว่าฉันจะไม่เป็นเรือจ้างอีกต่อไป ฉันจะเป็นผู้พัฒนาชาติไทยพัฒนาจนบ้านเมืองตอนนี้เราแพ้เวียดนามแล้วฉันจะไม่เป็นคนดีอีกต่อไปฉันจะเป็นคนเก่งแล้วเก่งเป็นยังไงทะเลอกกันทั้งบ้านทั้งเมืองไงสมัยโบราณนี่ครูนี่เป็นปู่ช น, นบุคคลนะผู้คนเคารพนับถือเลยนะนะเพราะครูเป็นผู้ให้เป็นผู้ประสาทวิชาไงแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ให้เป็นครูแล้ว หมอที่มุกดาหารเนี่ยพอกูบรรยายเสร็จแล้วพอกูว่าถ้าวงการแพทย์ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะต่อไปเนี่ยคนไข้จะฟ้องหมอคนไทยเมืองไทยไม่มีใครกล้าฟ้องหมอหรอกหมอทำผิดทำถูกก็ยังเขาไม่กล้าฟ้องแต่ตอนนี้เป็นธุรกิจการแพทย์หมอเป็นแค่แมคาินิกเป็นแค่ช่าง ซ, ซ่อมเครื่องยนต์เฉยๆถ้าคุณซ่อมผิดปุ๊บเขาฟ้องตอนนี้เขาฟ้องหมอแล้วแล้วหมอทมุกดาหารก็ไปรายงานพอกูน่ นะคุณหมอกันเนี่ยคลินิกแก่ในคุณ ค, คลินิกหมอกันตอนนี้เขาให้ต้องเปลี่ยนคลินิกนายแพทย์กัน์ดเขาอาจจะคิดว่ามีหมอดูหมอเดาด้วยนะก็จะกลายเป็นนายแพทย์เป็นธุรกิจการแพทย์มันถูกวัตถุนิยมทุนนิยมกลืนหมดแล้วความมีเมตตาความสัมพันธ์ความมีน้ำใจมันหายหมดแล้ว เขาไม่เห็นคุณค่าของตรงนี้นะเพระาะครูบอกคุณหมอเพราะครูเสียดายมากสมัยก่อนนี่มีคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมที่นี่เขาเป็นโรคประสาท ต, ต้องกินยาละงับประสาทเขาลืมเอามาเพราะมันเวียงปุ๊บมันกลายเป็นบ้าทีหลังพ่อครกูก็เตือนมันมันก็ตื่นนะทีนี้มันเป็นอีกเขาบอกพาไปหาหมอหาหมอนะขาให้เขาขับรถไป ไปถึงโรงพยาบาลศิรินทรแค่เห็นป้ายโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยมันก็หายมันอุ่นใจว่ามันได้เจอหมอแล้วเห็นไหมคําว่าหมอนี่ยเราศรัทธาเนี่ยมันช่วยได้ช่วยโลกอุปท า, านได้แต่ตอนนี้นี่ยเขาฆ่าหมอทิ้งหมดเนี่ยกลายเป็นธุรกิจการแพทย์ต่อไปหมอจะไม่ขังอีกต่อไปเมื่อกี้หมอเป่าก็มาเตือนว่าได้เวลาเนาะไปกินข้าวคุณครูนะ ไปกินข้าวไปแล้วก็มีเวลาน้อยเนาะธรรมดาถึงสิบเโมงครึ่งเนาะเพราะู พ, พูดเกินเวลาก็ขอโทษไปกินข้าวกินเสร็จค่อยมาพักผ่อนที่นี่เดี๋ยวตอนเออให้เวลาหน่อยหนึ่งเที่ยงเที่ยงครึ่งเอาเอาบายมงบายมงศ์ค่อยเข้ามานะมาดูวิซอาร์ที่นี่